ก็มบทแปลเรื่องที่171เรื่องเด็กห0 0รคนข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพเด็กห0 0รคนในระหว่างทางตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสี่ลาดันสนะัมำปั น, นังเป็นต้นตอน พระสัสดาสเสด็จบินธบาทพบเด็กห0 0คนความพิสดารว่าวันหนึ่งพระสัสดามีภิกษุห0 0เป็นบริวารพร้อมด้วยพระอสีติมหาเถร ะ, สะเสด็จเข้าไปกรุงราชกครืเพื่อบินธบาทได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กห0 0คนยกกระเช้าขนมออกจากเมืองแล้ว ในสวนในวันมหรสบวันหนึ่งแม้เด็กเหล่านั้นถวายบังคมพระสัสดาแล้วก็หลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สกรูปหนึ่งว่าขอท่านรับเอาขนมพระสัสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายในการที่ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจากฉันขนมใหม่ภิกษุขนมที่ไหนพระเจ้าค่าพระสัสดาเธอทั้งหลายไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่านไปแล้วดอกหรือภิกษุพวกเด็กเห็นป่านนั้นไม่ถวายขนมแก่ใครใครพระเจ้าค่าพระสัสดา ภิกษุทั้งหลายเด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราหรือพวกเธอด้วยขนมก็จริงถึงกระนั้นภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนมกําลังมาข้างหลังฉันขนมเสียก่อนแล้วไปจึงควรตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีความริษยาหรือความประทุษร้ายแม้ในบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นพระสัสดาตรัสคำนี้แล้วจึงพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งใต้ร่มเงานาโคนไม้ต้นหนึ่งพวกเด็กเห็นพระมหากระสปาเถระเดินมาข้างหลังเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าไหว้พระเถระด้วยเบญจางข้าปดิต ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวแล้วกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์รับเถิดขอรับลาดับนั้นพระเถระกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่านั่นพระศัสดาทรงพาพระภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งแล้วที่โคนไม้พวกเธอจงถือทยธรรมไปแบ่งส่วนถวายภิกษุสงฆ์ พวกเด็กรับคำว่าดีละ่ะขอรับแล้วกลับไปพร้อมกับพระเถระาทีเดียววางขนมแล้วยืนมองดูอยู่น่ส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถวายน้ำในเวลาฉันเสร็จตอนพวกภิกษุพลธนาพวกเด็กผู้ถวายขนม ภิกษุทั้งหลายพรนนาว่าพวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแก่หน้าไม่ตอนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระมหาเถร่าทั้งหลายด้วยขนมเห็นพระมหากระสปะแล้วถือเอาขนมพร้อมด้วยกระเช้านั่นแลมาแล้วตอนพระศัสดาทรงยกพระมหากระสปะ เป็นนิทัศนะพระศัสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เช่นกับมหากระสปะผู้บุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมทําบูชาด้วยปัจจัยสี่แก่เธอโดยแท้ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าซีละดัสนะสัมปา น, นังธรรมทั้งสัจวาดินางอัตโนก ร, รมมะกุปบานังตังเจโนกุรุเตปียังชนย่อมทําท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวแต่วาจาสัต ผู้กระทาการงานของตนนั้นให้เป็นที่รักตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสี่ละดันสนะซัำปันนังความว่าผู้ถึงพร้อมด้วยจะตูปาริสุดที่ศีลและความเห็นชอบอันสัมปยุทธ ด, ด้วยมรคผลบทว่าธรรมทั้งความว่า ผู้ตั้งอยู่ในโล ก, กุตรธรรม9ประการอธิบายว่าผู้มีโล ก, กุตรธรรมอันทําให้แจ้งแล้วบทว่าสัจวาดีนังความว่าชื่อว่าผู้มีปกติกล่าววาจาสัตว์ด้วยสัจญานเพราะความที่สั จ, จสี่อันท่านทําให้แจ้งแล้วด้วยอาการสิบ บาพระกาถาว่าอัตโนโกรมมกุปบานังความว่าสิกขาสามชื่อว่าการงานของตนผู้บำเพ็ญสิกขาสามนั้นสองบทว่าตังเจโนความว่าโลกิยมหาชนย่อมทําบุคคลนั้นให้เป็นที่รักคือเป็นผู้ใคร่จะเห็นใคร่จะไหว้ ใกล้จะบูชาด้วยปัจจัยสี่โดยแท้ในการจบเทศนาเด็กเหล่านั้นแม้ทั้งหมดตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องเด็กห้าร้อยคน